สงบ พ, พร้มเย็นเป็นสุขไปนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดเรื่องเร็วร้ายทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นอันดับแรกหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำเพราะนักนักธาญาติโยมที่หลวงพ่อไปนสถานที่ต่างๆหลวงพ่อจะอธิบายเรื่องศินห้าให้กับคณนักตถาญาติโยมได้ฟังเพราะว่าเรื่องสินห้า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 ททข้อที่สองอธินนาธานาเวรมณีอย่าขโมยของซึ่งกันละกันไปขโมยสิ่งของของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจถ้าเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานวงศ์สกนายาติของเขามาเรียกค่าไถ่เราก็เสียใจเขาก็เสียใจถ้าเราเขามาขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกค่าไถ่เราก็เสียใจเพราะนั้นการขโมยกัน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 ง่ายๆ ค, คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาในเมื่อเราไปทำให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาทำให้กับเราเราก็เดือดร้อนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นกลางท่านบอกว่าอย่าให้อย่ากระทำให้งดเว้นให้รักษาศีลอย่าไปทำให้ล่วงละเมิดศีลห้าข้อมันเป็นพิษเป็นภัยทำให้โลกทั้งโลก เดือดรอนทําด้วยการอยู่ด้วยกันไม่ได้รับความสงบผาสุกในชุมชนและสังคมอันนี้คือศินข้อ4ข้อที่หสุราเมรยมั ช, ชาปมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาสสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียและทุกวันนี้มีคัญชายาฝิ่นเฮโรอี น, นยาบ้ายา마โคเคน ม, มีมีเยอะแต่สรุปแล้วก็คือ เมื่อเราดื่มเข้าไปจะเป็นอะไรก็ตามทั้งที่ไม่มีชื่อก็ตามแต่เราดื่มเข้าไปแล้วเสพเข้าไปแล้วทําให้เหมาพอเมาแล้วขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ศินข้อที่หนึ่งขโมยใครก็ได้ศินข้อที่สองประพฤติผิดละลาบละลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้ข้อที่สโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงใครก็ได้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 สินห้าข้อพวกเราคิดดูให้ดีที่ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติศินห้าข้อนั้นมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรอันนี้ก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายคัดไขาควรทบทวนดูศินห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าจริงๆมีประโยชน์จริงๆต่อชุมชนต่อโลกเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเห็นคุณค่าเรื่องศินแล้วสิทธห้าของพระพุทธเจ้าแล้วเราจรึงได้สมาทานศิน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 ฟังเพื่อการศึกษาหลวงพ่อคงจะไม่พูดนานพวกเราก็คงจะมาเหนื่อยมาก่อจะมาถึงที่นี่ได้เพราะนั้นหลวงพ่อกล่าวเพียงแต่ว่ากล่าวต้อนรับพวกเราคณะจทธายาโยมลูกหลานที่มาสู่วัดของหลวงพ่อถ้าาว่ามาแล้วกลุ่มใหญ่ถึงขนาดนี้คุณเกือบห้า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 ทังใส่ฝาเท้าเเอพราะใหญเพราะวักก้าว ข, ขาขวาพุทขาซ้ายโถเหมือนกับเหยียบพุทธโอจะไม่การเป็นการเหยียบยำ่ำหรือจะไม่เป็นบาปทางจิตใจหรืออันนี้ก็มีคนทกเถียงขึ้นมาในช่วงนึ่งหลวงพ่อเองก็บอกว่าจะไปคิดอย่างนั้นทีเดียวไม่ได้ เ, เราเอให้ภาวนาเมื่อเรานั่งนั่งภาวนาไหม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 ไม่ใช่บอกให้ฟังแล้วพวกเราท่านทั้งหลายจะเชื่อทีเดียวนะ อ, อย่างในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะดูก่อนสารีบรที่เราตถาคตพูดไปนี่นะท่านเชื่อไหมที่เราพูดนะภาษาริบุตรยังก่อนพระเจ้าค่ะเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์ได้นำไปปฏิบัติแล้ว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 ถ้าเราพยายามอยู่อย่างนี้นะพยายามใส่ใจสนใจในการภาวนาอีกสักวันหนึ่งไม่เหลือวิสัยเพราะเราตั้งสติให้แน่วแน่อยู่ที่ปลายจมูกของพวกเราจานั้นนะ่ะวิธีการภาวนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มัน่นอันนี้คือสมมะถะทําจิตใจให้สงบให้บริาบริกรรมอย่างนี้ถ้าเรามีสติดีแล้วนะ